วิธีทางแห่งโพธิญาณเรียบเรียงจากโพธิคยาธราบายสันติเทวาชยะธรรมโมภิขุคำนำโพธิคยาวัฒรา ของท่านสันติเทวาพุทธศกราช 1,300 นับว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่ามากชิ้นหนึ่งของครุชาวอินเดียในยุคที่มหาวิทยาลัยนาลันธาอย่างเฟื่องฟูอยู่งานชิ้นนี้ถือว่าเป็นงานที่ได้รับความนิยมและใช้เป็นแบบแผนในการศึกษาปฏิบัติของชาวพุทธมหายานมากที่สุดชิ้นหนึ่ง เราในฐานะคนไทยซึ่งมักรู้จักแต่คำสอนของฝ่ายเถรวาทเป็นส่วนมากน่าจะได้มีโอกาสศึกษางานชิ้นนี้อันจะทำให้เราได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นอันจะมีผลให้เราสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและตรงตามพระพุทธประสงค์ข้าพเจ้า ผู้ด้อยทั้งทางด้านภาษาและการปฏิบัติจึงได้พยายามถอดความและเรียบเรียงงานชิ้นนี้ขึ้นเพื่อไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของตัวข้าพเจ้าเองด้วยภาษาที่ข้าพเจ้าเองจะเข้าใจได้ง่ายและได้คัดตัดตอนเฉพาะสโลกที่สำคัญในแง่มุมที่จะนำมาปฏิบัติได้จริงงานชิ้นนี้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษหลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับก็มีความแตกต่างกันออกไปข้าพเจ้าเองก็ได้อาศัยต้นฉบับภาษาอังกฤษหลายฉบับในการศึกษาเรียบเรียงนับตั้งแต่ A Flash of Lightning by Dalai Lama A Guide to Potisatwa Way of Life by Stephen b a c h e l o r A Guide to Potisatwa Way of Life by Wesna and Orleans Wallace เ n น a กจิ้งอินโพธิสัตวะเบชิลล์ by a l e ็กซ r เ i n และยังได้อาศัยฉบับภาษาไทยคือวิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์โดยท่านดกเตอร์โสรัสหงษ์ละดารมและโพธิสัตว์จันยาวตาลโดยท่านรองศาสต ร, ราจารย์ดรกเตอร์ชัดสุมานกบินละสิงเป็นแนวทางในการแปลอีกด้วยข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่ง หากมีผู้สนใจในงานชิ้นนี้แต่อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นหนังสือเล่มนี้เป็นการเรียบเรียงไม่ใช่การแปลโดยตรงแบบคำต่อคำและก็ไม่ได้นำมาทั้งหมดซึ่งมีถึง700รกว่าสโลกหากท่านผู้สนใจใครศึกษาฉบับเต็มก็ขอให้หาอ่านจากหนังสือข้างต้นเราอาจจะเข้าใจว่าวิธีโพธิสัต์นั้น เป็นสิ่งที่ห่างไกลกับตัวเราแต่จริงๆแล้วกลับตรงกันข้ามมันเป็นวิถีทางที่มนุษย์ทุกชีวิตสมควรจะต้องดําเนินมันเป็นหนทางเดียวอันจะทําให้เราพ้นทุก์ได้อย่างถาวรและเป็นหนทางเดียวที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับโลกได้มากที่สุดแม้ว่าบุญบารมีของเราจะยังไม่ถึงแต่ก็ไม่มีสิ่งใด ที่จะชนะความเพียรของเราไปได้และถึงแม้เรายังไปไม่ถึงเป้าหมายอันสูงสุดแต่ระหว่างทางก็จะเกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างมหาศาลขอให้ท่านผู้สนใจจงศึกษาด้วยความใจเย็นและแยบคายงานชิ้นนี้ไม่ใช่หนังสือที่จะให้สัญญาความจำอะไรกับเราแต่ท่านสันติเทวา ได้แนะนำวิถีทางที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติจริงๆมันจึงจะเกิดผลและสิ่งที่สำคัญที่เป็นจุดเด่นมากสำหรับงานชิ้นนี้ก็คือหากเราพิจารณาตามด้วยความแยบคายจะทำให้เราเกิดปัญญาและความเข้าใจในเรื่องความว่างสุญญาตาที่แท้จริงได้โดยอัศจรรย์ ขอให้ท่านตระหนักอีกทีว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงบันทึกความเข้าใจส่วนตัวของข้าพเจ้าซึ่งมิอาจนำไปเปรียบเทียบกับงานแปลฉบับสมบูรณ์อื่นๆที่ผู้ปราดเปรื่องทางภาษาทั้งหลายได้ทำเอาไว้หากมีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าผู้ยั ง, งโง่เขลาอยู่ขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียวแต่หากคุณความดีอันใด ที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้แม้จะน้อยนิดข้าพเจ้าขอยกขึ้นบูชาคุณแห่งท่านสันติเทวาผู้ได้เมตตามอบสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้ไว้ให้แก่มวลมนุษย์บุญกุศลใดอันเกิดจากหนังสือเล่มนี้ขอจงมีส่วนแ ด, ด่สรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกๆพบภพภูมิขอให้ทุกท่านจงพ้นจากกระแสแห่งทุกข์ ที่เหมือนไฟเผาพรานสัพสัตต์อยู่อย่างไม่เคยมอดดับและจงอิ่มอาบอยู่ในทะเลแห่งความสุขอันกว้างใหญ่ไพศาลอันเป็นผลแห่งบุญบา ร, รมีของเหล่าองค์พระโพธิสัตว์ทั้งหลายและขอให้ทุกชีวิตจงบังเกิดดวงตาเห็นธรรมนำตนสู่ความหลุดพ้นได้โดยเร็วพลันขออนุโมทนา ชัยธรรมโมภิกข u